มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านแอบไปชมไม่ได้ชมต่อหน้านะแอบไปชมข้างหลังไม่ใช่ข้างหลังไปไปเทศอีกที่หนึ่งแล้วชมว่าโอ้ท่านอาจารย์จิตเนี่ยใสยปิ้งเลยไม่ใช่หัวใสยอย่างนี้นะจิตตอนนั้นพอมีสติขึ้นมาครั้งหนึ่งมันใสปิ้งขึ้นมาเนี่ยท่านไม่ชมต่อหน้าเพราะเกรงว่าดีแตกคนถูกชมนะจะมี ความเลวร้ายของคนถูกชมก็คือว่ารักษาแชมป์เคยเป็นไหมรักษาแชมป์นะแล้วก็เสียแชมป์นานเลยใช่ไืมรักษาไม่ ไ, มได้ท่านอุตสาห์ไปชมรับหลังแล้วนะโยมนี่แหละท่านอาจารย์หลวงพ่อไปชมอาจารย์ในงานนั่นงานนั้นเลอเลอะเลอ ะ, เลอะนะเอามาฟังหน่อยโหภูมิใจรักษาแชมป์เสียเป็นปีรักษาแชมป์เนีเสียเป็นปี เสียแชมเป็นปกีกว่าจะกว่าจะทาใจยอนบ้าเออเราไม่ได้แล้วเริ่มไม่เอาแชมป์เลยนะก็เริ่มดีเริ่มดีในแงๆที่ว่ามันไม่ปั้นแต่งไม่ปรุงแต่งไม่มีการออวางฟอร์มพวกเราเนี่ยต่อไปนะจะมีปัญหาคือมีฟอร์มของนักปฏิบัติต่อไปพอเรามาเข้าคอร์สเนี่ยนะจะมีคนถามเป็นไงเข้าคอร์สแล้วเป็นยังไงปฏิบัติแล้วเป็นยังไงบ้าง เราก็จะดีดีมากเลยโหเข้าใจอะไรเงี้นะจะมีฟอร์มอย่างงี้นะยอมรับไม่ได้ว่ากูงงมากเลยนะใช่ไหมจะมีฟอร์มนะจะมีฟอร์มอยู่นะงงไม่เวลาคุยก็อดี๋ไม่ยอมรับว่าตัวเองงงรมันมึนนะมันหน้ามึนนะเพราะว่า มันค้านกับความรู้สึก<ม><น>เฮ้ยมันต้องทำอย่างนี้ต้องเพ่งอยู่จุดจุดเดียวจึงจะดีต้องเพ่งอยู่จุดจุดเดียวจึงจะดีต้องไม่หลงเลยจึงจะดีรู้สึก ไ, ไหมไม่หลงเลยจึงจะดีแต่จริงๆแลหลงไปแล้วให้รู้ไหลามาเพ่งก็ให้รู้มีกิเลสมีกิเลสก่อนนะร่อยค่อยรู้ไม่ใช่ระวังวาอย่ามีกิเลสความรู้สึกเราคือถ้ามีกิเลสแล้วไม่ดีเลวเตรงนั้นทำยังไงจะไม่มีกิเลสเกิดขึ้นเลยเป็นไปไม่ได้ พราะเราเป็นปุถุชนเป็นทากตาบอดโง่โ wow, ง Ai ่โอ ah ้แรงไปป่ะทีน ok hmm ี้ข้อควรระวังคือเสียงบอกจากปากเหวเนี่ยนะก็มีหลายเสียงนะไม่นับเสียงที่อยู่ก้นเหวด้วยกันเองนะใช่ไหมร้ายกาดมากเลยเสียงก้นเหวด้วยกันเองแล้วเราไม่รู้่ะ เสียงนั้นมันมาจากไหนก็ไม่รู้บอกซ้ายขวาตรงไปหยุดก่อนอะไรเงี้ยถอยหลังมาเงยไม่รู้เสียงไหนมันถูกอะใช่ไหมตอนนี้มีเสียงบอกเนะี่ยขอความร่วมมือนิดนึงว่าลองทําตามเสียงนี้ก่อนสามเดือนถ้าไม่ได้ผลเลิกฟังแต่มีข้อแม่นะขอทําตามเสียงนี้เสียงอื่นอย่าเพิ่งฟัง มันจะได้รู้ว่ามันได้ผลไหมกับเราบางทีเสียงที่มาจากผู้รู้แต่มาจากการฝึกคนละแนวเนี่ยนะมันก็พาเราเขวนะไม่นับไม่รู้นะไม่รู้แล้วมั่วบอกเนี่ยนะก็มากมายนะเหมือนอย่างบอกว่า จะไปจุฬาจากเนี่ยไปจุฬาเนี่ยไปทางไหนถามชมพูก็บอกทางหนึ่งถามคุณชื่ออะไรคุณปลายก็บอกทางหนึ่งถามคุณปูก็บอกทางหนึ่งรู้จริงด้วยหมดเล ย, เยแต่บอกไป็นหทางขับตรงนี้ไปให้เลี้ยวซ้ายเข้ามอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์เสร็จแล้วไปจ่ายตังที่ด่านทางด่วนอะไรเงี้ยบอก ชมพูบอกใจตังด่านท่านรวนเปื้อนตังลงข้างล่างไปตามพระรามเก้าอะไรย่างจะเชื่อใครเนี่ยเราไม่ได้มีแผนที่ไม่ได้มี Google แ a p ไม่ได้มี GPS เอะไรางเี้นะเราเป็นผู้มืดบอดแล้วฟังทีนี้ถ้าฟังชมพูบ้างฟังคุณปลายบ้างฟังคุณปูบ้างเนี่ยนะมั่วทั้งทั้งที่สามคนรู้นะ แต่ฟังสาคนพร้อมๆกันเนี่ยชมพูบอกให้ลงข้างล่างคุณปายบอกขึ้นข้างบนมั่วก็ขึ้นข้างบนลแล้วก็จะงักอยู่นั่นแหละคันหลังก็บีบแต่ไล่เข้าใจไหมฟังชมพูก็ฟังชมพูฟังคุณปูก็ฟังคุณปูฟังคุณปายก็ฟังคุณปายเขาพาถึงปลายทางตอนเนี้ยฟังหลวงพ่อประโมทก็ฟังหลวงพ่อโมทลองลองเดินตามทางท่านเดินตามทางที่ลูกศิษย์ท่านมาบอก ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันอย่างเงี้นะแล้วมันไม่มัว่วถ้าฟังตัวนี้นะเออตรงนี้ก็ใช้ได้เดี๋ยวไปเรียนตรงนู้นต่อท่านก็บอกอีกทางหนึ่งงงจะเกิดความงงความมึนของนักปฏิบัติแล้วกูจะเชื่อใคร mm hmm. มันไม่ได้หมายความว่าคนอื่นสอนผิดนะตอนนี้นะไม่ได้หมายความว่าที่อื่นสอนผิดตัวอื่นสอนไม่ดีไม่ตรงไม่ใช่อย่างนั้นนะเพียงแต่ว่า เราเป็นผู้มืดบอดไม่รู้ทางมีผู้บอกทางเลือกฟังสักเสียงหนึ่งเลือกฟังเสียงหนึ่งนะตอนนี้ในเหวเนี่ยนะเสียงมันละงมไปหมดเลยเนะี่ยเสียงกบเสียงคังคบเสียงเขียดอะไรมันบอกเต็มไปหมดนะมันคือก้นหลุมนะบางทีนะบอกทางเป็นก้นหลุมไอ้เรากำลังไปอย่างเงี้ยบอกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตลอดเลยก็วนนะมาอยู่ที่เดิมจะว่าเอาวะ สมเดือนนี้ให้ให้เวลาในการศึกษากับเรื่องนี้ตามแนวทางนี้ <Okay. S 1> ถ้าไม่ได้ผลเดี๋ยวไปศึกษาเรื่องอื่นกับคนอื่นอย่างเงี้ยหรือแนวทางอื่นไม่งั้นแล้วแล้วก็จะกลายเป็นนักปลูกต้นไม้ที่คอยเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินไปเรื่อยๆแล้วบ่นว่าทําไมต้นไม้ไม่โตสักทีแค่ไม่โตยังพอว่านะมันจะกลายเป็น ตนไม้ตายเปลี่ยนบ่อยๆแล้วเราก็ท้อถอยว่าการปฏิบัติการปฏิบัติทำไม่ได้ผลจริง mm hmm. ไม่มีจริงมากผลเป็นเรื่องโกหกเห็ mm hmm. ไนไหมมากผลยังมีอยู่นะม mm hmm. ผลยังมีอยู่เพียงแต่ว่าเราทําถูกและทําพอหรือยัง mm hmm. ทําถูกและต้องพอด้วยนะทําถูกและพอด้วยเ mm hmm. นี่ยเราได้มีโอกาสอย่างนี้พิเศษพิเศษจริงนะต้องขอบขอบคุณ พี่เลี้ยงขอบคุณคนติดต่อพี่เลี้ยงขอบคุณคนจัดด้วยจขอบคุณเจ้าภาพอยู่ไหนนี่เจ้าภาพแล้วก็ขอบคุณที่เราเคยทำบุญไว้ก่อน